ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักขังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปการปติกิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยะถามณิโชติระโซยะถาหาน ติโยวิวันฉันโตสะปารองควินาสตุมาเตมภาวาตวันตาไรโยสุขียุโกภาวะพิวันธนสิลิต จันิดจังบุญทา่าปาจายโนจันตาโรทามาวันทันตีอายุวันโนสุขังปาลังกะศตั ว, วปสัสสนานางอากางธรรมวิจานาตางัง ปัศ น, นา낭ดางขีเนยอนุตรเรอากธามเมปัศ น, นางวิรากูปสมีสุขีอเกสังเขปัศ น, นางปุญญาเกเติอนุตรเรอากันสมิงดา่างดาต่างหากังปุญญาปรวัตติ อากางายุเจวันโนจายโสกิติสุขังบลาลังอากาซาดาตามเมธาวีอากาธรรมาสมายัยโตเ ด, ดวะภูโตมนุสวาอากาปัตโตปัโมดาตีติพวัตุซาพะมังกะลังราคันตุซาปเิวตา นุภาเวนัสดาโสทีผวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเิวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสทีผวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเิวตา สามบาสังฆานุภาเวนาัสาดาโสทีภาวันตุเต